ต่อไปอะไรฮะอัปปมัญญาอัปปมัญญาสองประกอบประกอบที่ไหนมหากุแปดกิแปดแล้วก็ปฐมฌานถึงยัตุฌานตกลงอัปปมัญญาถ้าประกอบในมหากุวิปจะมีเหตุจีเหตุสองถ้าประกอบในมหากุ3า มีสามตกลโคงก็เพิ่มเข้าไปนี่ปัญญาปัญญาประกอบกับนี่พวกยานสัมปะยุทธทั้งหลายถ้าประกอบในยานสัมปะยุทธจะต้องประกอบกับเหตุจีเหตุครับสองเหตุคือ อโลภะกับอโทสะประกอบกับเหตุหนึ่งเหตุมีไหมปัญญาไม่มีนะครับวันนั้นปัญญาประกอบกับเหตุอ้าวรวมร้วมรวม ร, ว ม, รวมนะถามนะ มันเกินเวลามาลันละห้าทีละจะลบกระดานก็ต <c oughs> <c oughs> ้องไปต่อคราวหน้านู่นน่ะเนอะรวม <c oughs> รวมรวมถามว่าเจตสิกที่ไม่ประกอบกับเหตุมีเท่าไหร่นับดูนับดูช่องอเหตุกะสัพพะเจตวิตกหนึ่งเป็นแปดวิจารเก้าอธิมโมกสิบวิริยะ สิ 11, บเอ็ดปิติสิบสองโมหะสิบสามมีไหมครับลงลงอะเห hey, ตุกะมีเท่าไหร่สิบสามนะฮะสิบสามก็ดูตามนี้นะอะ เอกะเหตุกะมีเท่าไหร่ครับเหตุหนึ่งเอกเหตุก ะ, กะดูดูช่องนี้เหตุหนึ่งมีอะไรบ้างสัพระเจดวิโตวิจารอาธิโมวิยะเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดนะอ่าโมหะโมหะได้ไหมครับ ได้เป็นสิบสองนะอหีริกาอนโนตจปะอุทจจะได้ไหมได้เป็นเท่าไหร่สิบห้าโลภะโทสะวิจิกิจชาได้ั้ยครับได้เป็นสิบแปดวละอะไรอีกครับสิบแปดเหตุหนึ่งอโลภะอโทสะอีกสองเป็นยี่สิบ อ่าต่อไปทวิเหตุกาประกอบกับเหตุสองดูช่องเหตุสองนะครับดูช่องเหตุสองสัพพะเจตนี่ใช่ไหมครับวิโตกวิจารอันธิโมกวิยะเป็นเท่าไหร่สิบเอด็ด พิติได้ั้ยครับได้เป็นสิบสองันท้าได้ไหมสิบสามและอะไรอีกอหิริกาอโนตปะอุทจจะเป็นเท่าไหร่สิบหกพิธิมานาะอิสานับดีๆนะเท่าไหร่แล้วครับ รวมถึงกุกุจาเป็นเท่าไหร่ยีบเอ็ดใช่ั้ยถีทุกะอีกสองเป็นย3ิบสามและมีอะไรอีก23 ส, สิบสามสภาณาสารณาอีกสิบเจ็ดรวมเป็นสี่สิบอโลพะอโทสัอีกสองเป็นสี่สิบสองวิรตีสามอปมัญญาสองเป็นสี่สิบเจ็ดปัญญาอีกหนึ่งเป็น สี่สิบแปดเดี๋ยวก็รูนะ้อ่ะติเหตุกามีเท่าไหร่ครับติประกอบกับเหตุสามมีดูนะสัพพเจตวิตตกวิจารอธิโมกบิยะรวมเป็นสิบเอ็ดสิบเอดหรือสิบสองสิบเอ็ดสิบเอ็ด ปิติเป็นส2องชั้นทะได้ไั้มได้เป็น13บสาแล้วก็อะไรอีกโสพนัสาธาะเจเป็นส0สิวิรติสามอปมัญญา2สองเป็นสามสิบห้าอ่นดูหนังสืออาเหตุกาเจตสิกเมตรเท่าไหร่ครับ อาจให้ตางานานนในอ่ะหาเจอไหมหาเจอไหมครับหน้าเท่าไรละ่ะอ้าวดูอเหตุกาเจสิกมีเท่าไหร่ครับสิบสามดวงถูกไหมถูกเอกะอเหตุกะมีเท่าไรยี่สิบถูกปะถูก สวิเหตุกะเท่าไหร่นะครับสิบแปดถูกปะ่ะถูกสี่สิบแปดถูกติเฮตุกะติเหตุกะเท่าไหร่นะครับสามสิบห้าใช่ไหมอ่าถูกอีกถูกอีกนะตรงลงถูกหมดเลยนะ ถูกหมดด้านนีนน้ถูกหมดแล้วนี่แหละไม่ได้คือไม่ได้สอนแบบหนังสือแนละ้วคนละอย่างนะไลม่มาคนละตัวแต่หนังสือเขาเล่นบอกมาหมดเลยแล้วเขาก็มานั่นคือเขารู้แล้วเราแบบคนไม่รู้อะเราก็ค่อยๆหาไปทีละตัวทีละตัวนะ แต่ว่ามันอะไรอ่ะมันบังเอิญมันมารวมกันสองงวดอะไคหิตะกับไคหิตะมันก็เลยงงนะงงไหมไม่งงนะครับงงก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวข่าวหน้าค่อยมาว่ากันใหม่ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนน ะ, อะขออนุโมทนาในสมุทร น, นทิ์ทนหลายท่ร่วมเพลน โดยมีการสะดับจับฟังทำขอขอ้อส่วนนี้เป็นเพราะปัจจัยทั้งหลายมียมีปัญญาตแตกฉานนำตนนห้ปนทุกข์ไปกันทุกท่านเถิ